สองปวัตติวาน 3. อุปาธนิโรธวาล 1. ปัจจุปันนาวานอนุโลมบุคคล163 อ, อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่ 164อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัตชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัตชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส หนึ อ, อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นก so ุศลในภูม sí. ิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤตในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตกาลังดับแต่สภาวธรรม ท, ท yeah <m ell an> ี่เป็นกุศลไม่ vale <m ell an> ใช่กํ <m ell an> าลังเกิด <m ell an> ในจตุโวการภูมิและปัญจวโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิกําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิดห6ึอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที world, ่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอจัญญาตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตกำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตกำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิด อนุลมปุกคาโอกาดหนึ่งร้อสิบเอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่หนึ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะตของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปัจจณีกับบุคคล 169อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคนนลบครรเลคเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอาคุศลไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทขนาแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศล ในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตดและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจาญย์จัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเลนั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคัศขณะแห่งกิตที่วิปยุตจากอากุศลในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชชาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขันขณะแห่งจิตในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤิตมีใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาถ้าขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากกุศลในประวัติการในพังคะขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในอรู ป, ปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤตก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาในอุปาทขคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในประวัติการ ในพังคาขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นก <ET> <tavalla> ุศลและอกุศลในรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุ้คลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด170อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัิชนา บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค ข, ขนาแห่งจิตในประวัติการสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตมิใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัตในอุปาทะขนาดแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแนวรูปประภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลในประวัติการในพังค์ขขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในอรูปประภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภัยกริชของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กําลังเกิด171 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยาก ฤ, ฤิตในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมพิจัดชนากําลังดับ Kraft. ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมพิจัดชนาไม่มี172ออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนากำลังดับปฏิรมปุชฌาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปัจจณีกับปุขลกัสต์หนอยเสิบสอนุรมปุชฌา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังค์ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลในพังคขันขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศล บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศล สภาปธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่ไม่กําลังเกิดในพังฆาขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในอุปาทขนาแห่งจ anyway, ิตที่วิปยุตจากกุศลของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญตจตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคาขณะแห่งจิตในบาวติการสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปปุ่มสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ไม่ใช่กำลังดับรัฐสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด174อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังฆาขนาแห่งจิตในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตมีใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งกิจที่วิปประยุทธ์จากอากุศลในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทัศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิพยุดจาก อกุศลในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตกับงผคนเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กาลังเกิด 2. อ, อตีตวานอนุโลมบุคคล 1. 7ึอสนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่1 7ึ่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุ้คล น, น, น, น, น, น, น, น, น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอภยยกริตของผู้คนใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของผู้คนนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอการส177อานุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในปมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศล ก, ก็เคยเกิด 1.78 ออนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ใ, ในภูมิใดเคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมิใดเคยดับสบภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอัญญษษตัญสัจตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุกคโรกาศ179อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทราวาดภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ และสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤษตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารย์จตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด 180อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในปมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในปมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารย์ัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศสไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัจตุวกา ร, รภูมิและปัญจโวกา ร, รภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของผู้คลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดปัจจณีกับบุคคล181อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาะไม่มีปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจติชนาไม่มีอนุรลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤิตของบุ้คลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจติชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มี182อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุ้คลใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่ม <fall out> ีปัจจ尼กโอกาส183อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี 184อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะเคยดับปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาะไม่มีปัจจณีกับปุขะโลกาศหนสิบห อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในปมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตัชชาเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตปมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้กำลังอุบัติในทุทาวาตภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาตต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจตัชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจารย์ต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยายกริตมีใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้กําลังอุบัติในตุทาวาตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่186อยอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมพิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปยอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตร ม, มีช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่เคยเกิดและสภาวธารรมที่เป็นอัพยา ก, กริตก็ใใไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในปู่ินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ 3. อนาคตาวานอนุโลมบุคคล187 อนุโลมปุตรฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาปธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในมงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับ ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจกดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดจกดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจติชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นจกดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลเหล่านั้นจกดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิด188 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอันพยากริตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจกดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จกะเ ก, กิกดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมพเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคล บุคคลจักไดอราตมักในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั Test ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิดของุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตดของุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดอนุลมโอกาดหนึ่งร้อยปดสิบเ้าอนุลมปุชะ สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจกดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมิใดจกดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาในอัญาย์สัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิจจกดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิจจกดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิด 190อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอาจารย์จตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิจักดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดอนุโลมปุขโลกาหนึ่อกาสิบเอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลจากด้บอรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จากดับปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจกดับสภาวธรรมที่เป mhm, mm. ็นก JA ุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจ yeah ัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดจกดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพียงได้รหัตมักกระหันตะบุคคลและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอตัตยจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตดอยู่ในจตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิดหนึอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดในภูมิใดจกดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้พร้อมเพลียงได้รหัตมักและอรหันต์บุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแพลงจิตใจในมึงเล็บในลำดับเพลงจิตนั้นบุคคลผู้บาดอยู่ในอาจญรย์ศตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปัจจินีกับบุคคล193อยเก้มอนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลจักไดอารัตมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จกักไม่ เ, เกิดบุคคลผู้พร้อมเพงได้อา ร, รัตมักและอารหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที no no wrote, ่เป no kind of ็นอัพยากริจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลิงได้รหัตมักและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริจไม่ใช่จะไม่ดับในพังค์คณะแห่งปัติมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่19ึ่งรอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอรหัตมรักและอรหันต บ, บุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรัคษในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตม่ใช่จักไม่ดับในพังคข้าณาแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชฌา สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมว er ิจัดชนาใช่ปัจจณีกัโอกาส195อสนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาจักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหม วิจัชนาไม่มี1 9ึ196อ่อนุโลมปุจฉาสภาวธรร ม, มกกที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่จชชะเกดิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะในภู ม, มิ น, ออนันน้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอภยากระดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกับปุขคโอกาส หนึอนุโลมปุจฉัลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุ้คลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุ้คลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลจักไดอารัตมักในลำดับแพ่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแพ่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภ า, าวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงไดอรหัตมักอ ร, รหันตบุคคลและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิตัชชาบนะุคคลผู้พร้อมเพียงได้รหัตมักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่จกไม่ดับในพังค์ฆณะแห่งปัจจิมจิต สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่1 9ึ่ออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพียงไดอารัตธรรมและอรหันตบุคคลบุคคลจักไดอารัตฐธรรมในลำดับแห่งจิตใดในมุลเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่สภาวธรรมที ideology, ji, objetos, freedom, uh, heit, ura, Ma, ements, ่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ฆณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จัก เกิดใช่ไหมวิตัชนาะใช่